กันดีใจรรากันต่างใจเออโอ้สองปีสามปียังได้มาพบกันอีกโอมาเป็นขั้งที่สองที่สามนี่มรับนีออ่ลงหน้าหลงหลังออผิดหน้าปิดตาก็จำกันมัออ้ยค่อยได้เต็มที่แต่ว่าจำหน้ากันออได้ดีอยู่แต่ว่าชื่อนั้น พูดไปอะไรมันก็ลืมไปลืมคนเก่นะคนเก่ไปตามวัยตามเวลาธาตุขันพวกเราเป็นบุญเป็นกุศลเอาหน่วยอุยพรให้เราได้มาปฏิบัติธรรมพบ ก, กันในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระบรมรโครคกราบไหว้นอกน้อมนมัน้อสกการทุกเมื่อทุกเวลา พระเจ้าได้เกิดตามพระวีดามาดาตามปู่ย่าตายายเพราะว่าลงจุดใดต่อจุดใดในสามแดนโลกธาตุคุว่าไม่ใช่ของไกลๆไม่ใช่ของธรรมดาแล้วแต่บุญกุศลจะตกแต่งไปอืมาพบกันในปัจจุบันนี้พบ ชาติที่ประเสริฐที่สุดอืมประเสริฐอะไรประเสริฐในการได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงทำพระแม่ครูบาอาจารย์มันได้ทำคําสอนที่สงบล่มเย็นที่ประเสริฐไปหนีไกลาจากธาตุขันธ์หนีไกลาจากความเกลียดความขื่ดความเจ็บความตาย ทมพระพุทธเจ้าของพวกเราไม่ใช่ธรรมดาอืมเพราะแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นอืมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมู่แจ้งเห็นจริงมอบกายถวายชีวิตคือพวกเราในวันนี้เลยงานการอะไรก็ทุ่มเทเสียสละมารอรับให้ทานอืมรักษาศีลรังศัจจะรักษาศีลสัะทานศีลอือ ไหว้ครูคุณ่ะขอพรไหว้ครูอืมค่ะพระเจ้าให้ทานมามากก่อมากแต่ยังอยู่ในบ่วงของกรรมอยู่ในชาติพระวิดากมดายังจะยืนยาวยาวไปอีกไปเรื่อยๆคุณวะท่าอืมอืมถ้าอะไรอืมถ้าความเกิดความเจ็บบังคับพวกเราไว้อยู่ ท่าสลาดคือคุณสาธิตคุณสันติสลาดตายาโจมเออไม่ออกสุรลงพุทธธรรมของเราสุนลงจิตใจสายเป็นกุศลขาดเก้ากิเลสออกจากคาดจากขันเพราะแม่ผู้เพื่นประเสริฐเพื่อนก็ได้ขันได้ธาตุได้ขันได้คนงามความดีเหมือนพวกเราเนี่แหละ เพิ่นออกปฏิบัติเพิ่นค้นคั้วเพิ่นปฏิบตัติหาทางออกหาความสงบลมเย็นได้มาแล้วก็ประกาศศาสนาะสอนลูกสอนหลานประกาศทั่วไปหมดเลยข้าพเจ้าขาโลกประกาศศาสนาะเดินทุรงกรรมฐาน เดินแตเหนือจุดใจเดินใจใจจุดเหนือไปตามธรรมชาติตามป่าตามเขาโครคภัยไข้เจ็บเวรกรรมมันก็มาเปิดมา ก, ก็มีมาเลยตั้งแต่ผู้ยหญาตายายก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือ น, นทุกวันนี่เลยหรือมากกว่านี้ก็เผิดเรามาเดี๋ยวนี้มันจะเรินเจ็บไข้ได้หนาวโรคนั้นโรคนี้มาก็ เออถ้าเมืองไทยไม่ดีผู้มีเมงินจะแกไปเมืองนอกอีกนะครับเพราะว่ายาดีดูแลกันดีเพราะว่ามาเกิดแล้วยังให้ได้บุญได้กุศลมากๆก็เลยดูแลกันหาบุญหากุศลทําบุญทํากุศลให้ถึงพ่อมให้สบายใจพากันเข้าใจพากันตั้งใจอืพ่อแม่คนเดินหาบุญหากุศลรักษาศีลรักษาใจอันเดียวนี่หละ วอริสูตรสูตทองคืออืผลฐานของพระ อ, ออกไม่ออกมือเจ้านี่เลยเออสวยงามผลทานเท้าสะอาดจิตใจก็เท้าสะอาดแต่ว่ากิเลสมันอืมันไม่ได้ฟังเป็นภาพเป็นโยมเป็นใครหละมันออกยากมันบังคับออกยากถอทถอนออกยากแต่ว่าตั้งจิตตั้งใจก็ไม่ข <c oughs> าดทุนก็จะได้ ความเจริญความฉุขความสบายไปในภายภาคหน้าไปัจู่บานของพวกเรานี่เลยท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี่จิตใจก็คงจะตรงกันคงจะไปจุดเดียวกันพระเจ้าไม่อยากเกิดพระเจ้าไม่อยากตายไม่อยากเจ็บอยากปวดอย่างตามเสด็จอยากไปตามพระพุทธเจ้าอยากไปตามพ่อแม่หลวงปู่มั่นหลวงตะ บ, บวัวเมสีสุพนความเพียร ผู้คนตั้งใจแก่กาเสื้ออาจเสื้อทำคำสอนท่านก็วางวางสมบัติที่หามาได้ที่เราห่วงเห็นกันอยู่นั่นแหละวางแล้วก็เออไปเท่ากันนาไม่ยึดไม่ถือให้มันหนักดุวยนะเออให้มันสบายใจให้มันเบาอืมเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนได้ทำแล้วคนมาสอนจิต ท, ที่ผ่องใสใจที่ แต่กล้าเข้มงวดกวดขันถือต้องขาวสะอาดเพื่อนรักหักแพงญาติธรรมทั้งหลายก็ต้องอืสนใจอันเดียวกันนี่หมดเพราะว่าเห็นควงเจ็บควงมเกลียว า, เ ก, วาเกิดความตายอืมไม่ใช่ของธรรมดาเป็นของที่หนักมากอืม่าขันจิตใจของพวกเรามามรับใช้มาบำเพ็ญกุศลมาเกิดเอาบุญเอากุศลนันนี้ เป็นพร ะ, ะมากวพาพวกเราทั้งหลายได้พบธรรมได้บุญได้กุศลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราสองปีสามปีที่ปูผ่านมาก็มาเห็นความสวยงามของข้อออกแม่ออกก็ยังมั่นคงอยู่เหมือนเดิมสวยงามเรียบร้อยเพราะว่ากายวาจาใจองศีลศีลธรรมอันประเสริฐที่โลกเราจะไปตาม พรอแม่ครูบาอาจารย์เขาบอกโลกนั่นไม่มีไม่มีข้าฟันลานแทงกันไม่มีทุกข์ไม่มีมมลําบากพันต้องขาดเก่าให้ความทุกข์ความลำบากนี่ออกให้หมดยังว่านั่งสมาธิภาวนาอะไอยู่ในตัวเราก็คืออืมเจ้าใหญ่ในตัวอันอันบังคับให้เราเกิดนั่นแหละเวรกรรมเวทนาขึ้นมาก็บังคับบังให้เราทำอันนี้คือว่าได้ใช่ สิ่งอะไรบังคับเราอีกเหออะไรเป็นตัวบังคับให้เราก็คืออกิเลสเรนกรรมของกิเลสกิเลสมันไม่ใช่ของง่ายง่ายเออพราะแม่ครูบาอาจารย์เพื่นทอถทอนกิเลสทุ่มเทเป็นมดทับเป็นเงินทองอะไร อ, อได้บุญแล้กกออ็มาโปรดญาติโตรดโยมเพื่อนกระซ้า ใ, ให้มันเป็นกลางใส้ให้ลาบใส้แตกต่อกันไป ใจให้พี่ใ่ให้น้องใจให้ตัวเองกั อ, อลูกหลานบูชาธ ร, รมืมทำรัตวาศาสนาให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอยู่บำเพ็ญกุศลภาวนาให้สบายใจรักษาท่าขันให้ลูกหลานได้กราบได้ไหว้ได้บำเพ็ญกุศลตามไปนี่คือว่าผู้ฉลาดผูประเสริ ฐ, ฐ, ฐ, ฐต่อกันและกันออพระคนก็ไปจากโยมนี่แหละ ั้งแรกๆอือออกไปลำบากากากกรรมคนคั่วปฏิบัติดูศึกษาก็ทธรรมพระวินัยพระไตรปิฎกเป็นของจริงหรือว่าคนเขียนเอาเฉยๆคุหว่าอะไรมาปฏิบัติดูแหละโอ้มันเย็นใจมันสงบร่มเ ย, เย็นลงเย็นลงเย็นลงกายไม่มีไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีเจ็บมีปวดนี่เหละคุณว่า มันว่างมันเย็นสงบล่มเย็นไปหมดอืมนั่นแหละพวกเราทั้งหลายอยู่นี่ก็ต้องการในจุดนี้ก็ต้องต้องมาบําเพ็ญกุศลมาอมืท้าบเอาศินเอาธรรมจากหลวงปู่หลวงปูก่กรับมาจากพระแม่ครูบาอาจารย์อืมถึงเรานี่ยโอ้หน้าคิดหน้าเอาไปกันกองเอาไปสี่เจรนาอืมให้น่าอยู่ในโลกนี่คนว่าที่จริง ตามเพระาะแม่ครูบาอาจารย์พูนกันว่าพวกเราทั้งหลายนี่จะได้ไปหมดแต่มันซาดเร็วต่างกันไปที่ไหนไปที่มัจุกนั่นแหละไปโลกอีกใบหนึง่งโลกอีกตั ว, วนวหนึ่งคือโลกทิพยลรมาจุกโลกนั่นเออข้าไปยากเมืองสวรรค์16บหกนฟ้าสิบห้านดินนี่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่อย่างนี้แหละเที่ยวขึ้นเที่ยวล ง, ว ล, งวลงมาแล้ ว, ลวขึ้นยากะอะไรไม่ขึ้น เ, ออเวรกรรมนั่นแหละคนวางชีเรอดพันห้าตันหาพันร้อยแปดครอบงำเห็น อ, อืเห็นว่ามันเป็นขึ้นมาให้เราดูธรรมศาสตร์ก็ดีหรือว่าื อ, อใจโมหัวโถโซหัวเที่ยวหายไลอเราดี ๆ, ด ๆ, อ, อ, ดๆอยู่ก อ, อืบเล่าก็มองเราก็ั อ, อประมาทไม่ได้ืเอเราจะมันจะเป็นขี่รถไปกั บางทีเขาก็มาตามเอามาตามมาไล่ค่าไล่แฟนเอานั่นแหละเปลี่ยนแบบนั้นก็เปลี่ยนไปได้เราผ่านมาแล้วเราก็จำไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในกรรมทำมามาตัดนี่ทำมามาห้ามก็คือเขาออกอไม่ออกที่รวมพลงังจิตใจกันเราอยู่ในสูนใหญ่อันนี้เาราลักจ๋อสุนทนคนมูวมากอาศัย ญาณอันนี้เพื่อทำมาหากินเพื่อสื่อสารกันเจ็บใข้ได้ป่วยพ่อแม่อะไรก็รีบด่วนไปหากันด้วยบุญด้วยกุศลด้วยปัญญาปารามีของุระศาสนาท่านทั้งหลายลูกหลานมากันที่อกดีใจเออฝากันเอาไปพิจารณาเอาไปนั่งสมาธิเอาไปการคองจิตใจอย่าไปคิดให้มันเ <c> ช <oughs> ่ามองขุนมัวขึ้นมา อืเปลี่ยนความคิดเถอะนะควาวมคิดผิดะเอามาให้มันถูกเถอะมหัศจรรย์วางทิ้งไปตามสายลมอากาศอืทิ่งที่ไหนก็นทิ่งได้หมดเลยนั่งรถนั่งเรือไปก็ออออความคิดตัวนี้มันไม่ดีเลยล้วก็เออาวิริกรรมมาบังคับไว้อาวิริกรรมมาเป็นอารมณ์ของจิตของใจของพวกเราไว้พากันดีใจพากันตั้งใจอืร้อยซาดพันทุกข อืมาเกิดลบไปลบมาอยู่นี่จึงได้มาพบกันพบกันก็ตั้งใจเพียรไปเรื่อยออมันเจ็บมันปวดไม่มีใครจะอืมนั่นไปเลยต้องอืมทรมานลาบากแท้ๆเพราะว่ามันดึงมันถูกมันมัดมันมันอะไรไว้พวกเราทั้งหลายจึงได้มานั่งต่อกันและกันไปเรื่อยอืมถ้าเราทุ่มเทถ้าเราเจียละละบางคนก็ง่ายเชื่อแล้วก็ เออของส่วนตัวจะหลับจะนอนก็มีสติมีพุทโธมีมบุญอยู่ในหัวใจนี่ข้าพาเจ้าได้กินได้ทานได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้บาเพ็ญภาวนาได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมสดชื่นดีใจข้าพาเจ้าหลับกับคุางามความดีมพุทโธอรหังอรหังก็ดีหานใจเข้าออกอ ม, มีสติอยู่ทุกเมื่อคุณว่าหายใจเข้าลึก พูดโทพูดโททำลมหายใจพระพเจ้าจะหลับกับพูดโทเออหลับกับคุณพ่อคุณแม่พระพเจ้าก็ถือต้องดีงามมาแล้วอืมกินไม่ได้นอนไม่เป็นพ่อแม่ก็อืมลําบากทุกข์ยากอืมดึงดูดกันมาจนถึงป่านนี้วันนี้ข้าพเจ้าเชื่อตัวเองได้บัดนี้พระพเจ้าจะหนีไปโลกใหม่ของเ่า เออไปตามพระพุทธเจ้าไปตามศาสนาเออตั้งใจหลับกับพุตโทอืมบางคนเขาว่าเบื่อพุตโฟมันมันบ่นอยู่ตลอดแลวมันก็เอออยากอยากเปลี่ยนอย่างใหม่ก็เอาอาลางหังหันใจเข้าอาลหางอาลังหางยาวเข้าไปเออดึงดูดกันเข้าไปมัน โอ้นางเทวดามาที่หลังก็ได้บุญเท่ากันด้วยตั้งลวงตั้งใจฟังฟังเสียงอัดเสียง ท, ทมธรรมะออกจากใจได้มาจากการกระทาทั้งแต่ตัวเด็กตัวเล็กเลยกาตานาเพื่อนปูดเดินทู่โรงไปโอ้ทุกข์แคสมัยนะั้นสมัยป่าดวงพงไพยหากินหาอยากน้ำป่าน้ำเขาธรรมชาติ เกิดมาเห็นทุกข์เจอลำบากบาป น, นี่เนอะวัดธุดงก็มาฐานเกิดพายบาปพายโกฎไปเพิ่งแห่งทุกข์กว่าเราอีกทั้งอดอาหารทั้งอืพายบาปหนักเดินไปเ อ, อไปอะไรไปอหลวงปู่ไปหาพุโทโธเคยเห็นพุโทโธอะไรคนนั้นไม่ได้เกิดพุดโทโธพามีความสุขพุโทโธของพุทธเจ้าที่คนวางไว้ เพื่อนหาเห็นแล้วเพื่อนหาเห็นแทบร่วงแทบตายสรุปชะไหลไปเพื่อนประชดแล้วเพวื่อนเผยแผ่ศาสนาศาสนาไอมนมาพระเจ้าคีทางห้าเราแจ้งเห็นจริงขึ้นมาพวกเราทั้งหลายมนยีดเลยมาเต็มเลยฮะปฏิบัติธรรมเราสดชื่นเบิกบานสุข ก, กายสบายใจอืได้ยินได้ฟังก็เอาไปปฏิบัติไปไเรื่อย คนแก่ก็ไปอีกแบบหนึ่งคนหนุ่มก็ไปอีกแบบหนึ่งคือว่าปฏิบัติธรรมบาเพ็ญบา ร, รมีสร้างจิตสร้างใจหรือเขาหากินหาอยากโอ้ธาตุขันธ์ต้องโนยอวยพรให้เอฝืนใอหาไม่ทันเออไม่ไม่ได้ตั้งใจก็ฆ่าตัวตายก็มีบางหลายคือคิดว่าคุณค่ามันเป็นยังไงจะไปที่ไหนออกจา ก, กนี่ไปไปห้ามว่าเราโรคหรือจะไป อะไรมันมันมันเป็นทุกข์หรือมันจังมันจังทำลายมันจังทับให้แตกสหลายเพราะว่ากรรมกรรมพาเป็นมันบางคับให้เที่ยวเที่ยวไปตามอำเภอใจของเขาไปแล้วบเวลาไม่ไดงไม่ได้ด่างใจเสียใจผิดใจมันก็ทำให้ตายศาสนาพิทสอนอย่างนั้นแหละหลวงตาบัวกิเลสทำให้ตายตายแล้วไปที่ไหนบัางนี่ค จานรกวันนี้คนว่าจานรกก็โอ้มันบไม่ธรรมดาจานรกจายมพิบาลจายมมรทู์อะไรแต่คนว่าจานรกก็คือเืองบ้านเมืองเรารักษากาเนี่เลยเพราะนั้นมันละเอียดทั้งว่มผิดเป็นผิดอืมถูกต้องคือพวกเรานี่อืคนบ่าให้เข้าไปใกล้เลยคนส่งไปที่เราต้องการอืมส่งไปตามบุญตามกุศลที่เรา บำเพ็ญเมตตาบา ร, รมีที่เราตั้งใจภาวนาอย่างนี้เลยนั่งสมาธิเพื่นเพ่นดูอยู่ด้วยธรรมะตัดเลธรรมะตัดธรรมะตัดก็อายุมันยืนปฏิบัติไปเรื่อยๆสู้กับเวทนาที่มันบีบบังคับที่มันมันผูกมันมัดเราไว้พอถ้ามันสงบเพิ่ไปพู้นั้นสลาดพดู้นั้นประเสริฐเจริญใน ในการกระทาในบุญในกุศลของพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพราะมันไม่ว่าเป็นยังไงก็ได้ไปหมดคือเขาว่าตายปุ๊บไปแล้วเี็สังนั่นสางนี่ให้ไปสวรรค์อย่างนุ้นอย่างนี้เห็นว่าไปเสือๆแล้วว่าโจของแท้ของจริงนี่คื อ, อปฏิบัติถิดใจให้สงบรวมเย็นให้สาวสะอาดคือคนสอนนั่นแหละให้รุ่งเรื่องเจริญมากันเข้าใจในจุด น, นี้ ก็บวามเพ็นไปเรื่อยๆวันเวลานาทีของพวกเราสองปีสามปีมานี่โลกมันมามาแย่งมามาห้ามเพื่อนก็ห้ามว่าถ้ามันเป็นแล้วลงปอดลงพุงลงไปหาที่เราไม่ได้เห็นกันลงไปตัดทางลงไปบังคับถ้ามัอไม่ทานถ้าไม่ตั้งใจก็ตายได้ถ้าถ้ามันลงไปปอดลงไปอะไรอันนี้บางรายเขาก็ถามว่า เออมันมันมันแต่งขึ้นมาหรือว่ามันเป็นมาธรรมชาติเออมันก็เปลี่ยนมาตแต่ปู่ย่าตายายแต่เพราะเราเกิดขึ้นยแต่ว่าของใหม่ก็มาเพิ่มอีกป่าเนี่ยเออของใหม่ก็มาเพิ่มอีกแล้วแต่งมาอือมแต่งยามากอะอืมแต่งเสื้อโลกมาเผื่ออืมที่จริงก็มาในพวกเรานี่แหละ อ, อืมอะไรมลพิษอะไรทุกจิตสิ่งทุกอย่าง อ, อืมมันมีมันมันเกิดขึ้นเป็นเสื้อโลกในตัวเรานี่ ที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยถ้ามันอเศร้ามองขูนมัวมันกินอายมันขึ้นมามันก็เป็นเชื้อโรคมันอืม้าขันเรามันมีมันมีกับทุกคนอยู่แล้วออถ้ามันอืมไปมามาหากันได้มันมันขยับออกมาหากันได้แล้วมันก็บังคับให้เราลำบากทรมานไปพอออกไม่ออกสาธาญาดหลวงของหลวงปู่ของศาสนา อพาการรักษาสวยงามก็คือออาหารวิธาบาทอะไรใส่บาทอาหารพิธาบาทของทีพสวยงามยถาดขันเราก็เปรียบเทียบจยางนั้นแหลยเป็นลาบอันประเสริฐเปนบุญอันยิ่งใหญ่ส่งไปให้ผู้มีพระคุณวีามารดาปุญญาตายายของพวกเราหลวงตาคนว่าพ่อแม่คนว่าครูบาอาจารย์ส่งไปได้รับส่วนบุญอืการบําเพ็ญกุศลอีกแบบนี้อืส่งบุญส่งกุศลไป ออืวังวังไลเป็นเท พ, พบูตรเป็นเทพพระดาผู้ชายก็ดีเป็นเทพพบูตรแล้วส่งให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เรื่องรับจากเราไปเพราะว่าเราได้กองบุญท้องพื้นในธาตุสี่การห้าของท่านมาบำเพ็ญกุศลมากินมาทานเราเราก็สู้ไปแล้วก็ส่งบุญไปให้อส่งไปให้แล้วเพื่อได้รับหลือเพื่อว่าเป็นเท พ, พบูตรเทพพรดาคือมีความสุขออมีความสุข ค, ความเจริญเลย เออเราจะได้อะไรเป็นของเป็นหลักฐานขึ้นมาเราก็อยู่เย็นเป็นสุขเราก็อืลาบเลื่นรุ่งเรืองจเจริญในศิลในธรรมในบุญในกุศลอืมนั่งธรรมธิภาวนาให้ทานเจ้าชะลาไม่ไม่เของง่ายๆ่าเออให้แล้วก็สบายใจแล้วมันก็เป็นของง่ายเป็นของประเสริฐเป็นของที่เราต้องการจิตที่ท่องใช้ใจคุณพ่อคุณแม่ให้มา คือกล้องดีงามแล้วก็ความสงบร่มเย็นของวัฏฏสัสนอก็จะบรรทนบัรดาลให้เราได้พบของทีบได้พบของประเสริฐพากันดีใจไม่ได้หันใจเสียเวลาเวลาเดินอยู่นอนอยู่ได้ยินแต่ทุกขแต่ลำบากข่าฟันลัานแทงกันท่าภุระญาต์มากๆเพื่อนมากๆ เออผู้หนึ่งไม่ได้อยู่เหละไปอะไรเออไปเผาศพกันไปเยี่ยมป่วยเยี่ยมเจ็บเยี่ยมไข้อะไแหละมันเป็นสัตวเออผู้ใดไม่มีโรคมีภัยนี่แต่ความสุขความเจริญก็เป็นลาบอันประเสริฐเออก็มีแต่นั่งภาวนาดูมันเวทนาไปก็ค่อยเพียรไปทำไปวันใดวันหนึ่งเราตั้งใจมันก็จะอืมเป็นนางเทพดาเป็นเทพาบุตรเออตามไปจนถึงจุดสุดท้ายอะ เออพระมาสูขคนว่าอืได้กันหมดทุกคนทานเราตั้งใจอืมบรดทุธามไม่ได้เอาอะไรที่จะติดตัวติดใจติดตามเราทั้งนั้นไ ม, ไม่ได้ไม่มีอะไรมีแต่คุณงามความดีมีแต่บุญกุศลที่เราแจกกันแล้วมันสบายใจนั่งภาวนาดูแล้วยเย็นถูกมันมันพร้อมบารมีพร้อมแล้วอืมให้ทานเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์เลยเออทานไม่เต็มก็ต้องอืทำไปเรื่อยๆ บางไลเพราะว่าการทาอันประเสริฐคือคื อ, อมรรคผลนิพพานโอ้ล่าวไปถ้าถ้ามันไม่สมบูรณ์ถ้าถ้าผ้นทานไม่เต็มนี่มันไม่ได้ไปง่ายๆเสมอคื อ, อคนว่ามันได้ไปง่ายอยู่ถ้าเราตั้งใจเราทานมาม า, มากต่อมากเลยแต่ว่าเรามารักษาเรามาบำเพ็ญเพียรให้ให้กิเลสมันวางออกจากเรา อืมเท่านั้นมันก็วางได้เพราะว่าเราตั้งใจอือเพราแม่ครูอาจารย์เพื่อนก็นทาตขันเหมือนเราแม่เขาวแม่ซีก็เปิดก็ดีทั้งใจวิกรรมพุทโธหรือว่าความเพียรทนก้าวหน้าเออไม่ไมาคิดกับอะไรทั้งสิ้นนีคุณพ่อคุณแม่เพื่อก็อาศัยบุญกับลูกกับหลานก็นัอหาบุญหาพุทโธหาความสุขมาหาก็หามแม่เได้เงินได้ทองมาได้มาด้วยความสุขนี่ดีใจแท้แท้เออถ้าได้มาด้วย บาด้วยกรรมด้วยความทุกข์นี่เออเอาให้คกนก็บกเอาบางลายที่คนมีศีลมีธรรมของคุณพ่อคุณแม่เออได้มาไม่ถูกต้องเออได้มาแบบเพิ่นลูกเลยก็มีบางลายลูกของลูกเอามามันได้มาไม่ถูกต้องมันจะมาเผากันมันจะมา ม, มาเข้าเสื้อใส่ไฟอันเดียวกันคนว่างกันเว่าทรัพย์สิเนเงินทองเป็นของที่เป็นของประเจิดคื อ, อพอ อ, อไม่ออกศรัท า, าญาติโยมที่เออแสดงออกที สวายทานนั่นแหละทำบุญทำกุศลเมืองไรยก็ขอพรแล้วก็รีบกลับเป็นอย่างงานการนี่แหละงานการเราก็ไปทำเราก็รีบไปเราก็ต้องใจได้ทำได้ทานต่อไปแต่ว่าเราไม่ได้ยึดเอะไรมากมายนึยกทุธโธอยู่นำ <c oughs> ทานนำขันเราอยู่นำหัวใจเราือดถอนกิลเลสออกอยู่ทุกเวลาหน้าที่ เออพระพระเจ้าไม่อยากเกิดเห็นเห็นคนเป็น <c oughs> เป็นทุกข์เป็นยากเห็นคนไปตกนรกหมกไหมหน้าเมือต้าดำเข้าหมอขูนมัวไปเยี่ยมไปโรงพยาบาลหรือว่าไปขึ้นนิกหาหมอหายานี่โอ้ยตาปิ้นตาเหลือกอืมเจ็บร้องห่มร้องไห้เรียกหาที่พึ่งที่อาศัยอืมเรานี่พากันอืมสดชื่นเบิกบานได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงทามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภาษาก็ อืมเสียเวลาไม่ได้เสียดายอะไรทั้งสิ้นพอไปได้ก็ไปเมื่อืไปนั่งสมาธิภาวนาือเดินกรรมาฐานทุโลงไปตามทุจรนั่นแหละคือว่าไปง่ายมาง่ายอืโลกมันจเจริญธรรมของพระเจ้าก็จเจริญมันไปหากันง่ายมันจเจริญแต่ก่อนมันก็จเจริญมาก็คือเดินเท้าด้วยอืมกําลังอืมจิตกําลังศรัทธาเสื่อมันเดินไปจน เออตายใจกระทิ่งนั่นเออเดินหาที่ตายเดินหาที่ที่อยู่ใหม่ได้ความสุขความเจริญมันไม่ตายแล้วก็เออไปเผยแผ่ศาสนาือหลวงปู่ใหญ่แล้วหลวงปู่มั่นมั่นเกิดมานอนอบนุบลคนก็ไม่ไปเลยคนอยู่ภูพานเพราะว่าเพื่อให้ญาติพี่น้องดึงดูดแยกออกมาจากที่อยู่ที่อาศัยเดินมาหากันมาแล้วสอน ให้ภาวนาให้สงบร่มเย็นก่อนอย่าเพิ่งไปที่โน่นที่นี่อยู่ด้วยกันจะหาเรื่องเองดูแลเองเออก็มันก็อยู่ไม่ได้บางหลายมันจะกลับไปคือเขาเพราะว่าพลังของกิเลสเสือกผูกคน่อืมเครื่องดึงดูดเครื่องผูกพัดผูกมัดคนอ ม, มองว่าเห็นแต่มันแต่มันแก้ไม่อกอกแต่มันแก้ยากถ้าผู้ื่อให้ปัญญามันจะแก้ได้ แค่แล้วมันหลุดออกแล้วเชือกต้นนั้นหลุดออกแลก้วก็เบาเวงเดี๋หลุดเบาว่างลกกระทดมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความงามความดีอยู่ในหัวใจของพวกเราทั้งหลายพ็กันดีอกดีใจมาเยี่ยมมายามบุญลายจังพ่อคุณบุญหน่อยก็ไปน้องโควิดเอาไปเอาไปเป็นธาตุไปไปต่ตามตามตามเวรของมันนั่นแหละแปลว่ามันเป็นธรรมดาคุณว่า ว่าจะแต่งเอาก็ถูกมันแต่งขึ้นมาก็ว่าได้ขายาไปด้วยเราแต่บุญแต่กรรมกรรมตกแต่งกรรมพวกเรานี่แหละเออแต่ว่าเราฉลาดเรามีบุญมาอย่างไรเราก็สู้เออแต่เรามีพุทธโทอยู่ในใจเรามีศีลมีธรรมอันนี้แหละพาเราตั้งใจภาวนารีบทาเอาล้วไม่ได้อยู่ข้ามฟ้ากรูเพื่อนสอนนั่นละอยู่แค่เออไม่นาน ออวันพรุ่งนี้เห็นหน้ากันจังว่าอลูกพ่อลูกแม่พวกเราทั้งหลายก็ดีเห็นหน้าจังว่าย่างเพื่นว่าเป็นย่างจะเป็นสันก็ดูเอาเลยเออไปน้ํารถนําเรือกระแสไฟน้ำน้ำไฟอันตรายกับพวกเราอมบางจุดบางโลกอะบางประเทศก็อนอนหลับอยู่ก็ัอน้ําพัดไปธรรมชาติก็ดี แล้วจะบุญแต่กรรมไปร่วมกันกอดไปเออขึ้นรถขึ้นเรือ ก, ก็เหมืนกันนั่นแหละเออถ้าบุญไม่มีเออไม่ได้มาถึงบ้านเลยเรียบร้อยเออส่งข่าวถ้าออกจากบ้านถ้ามากินข้าหวห่วมพาเออมานอน อ, อร่วมกันจึงว่าเป็นห้องเขาแล้ววันนี้วันพรุ่งนี้ไปอีกนั่นแหละจึงว่าือน่ากลัวน่าญานแต่ว่าพวกเราทํามาตัดนี่ช่วยไปเออ อืมถึงเวลาแล้วก็จําเป็นเราก็ไม่กลัวเราก็ออสู้แล้วก็ตั้งใจอิ่มไปอยู่ทุกวันนั่งก็อิ่มกราบก็อิ่มเดินก็อิ่มอิ่มอะไรอิ่มบุญอิ่มการกระทําอิ่มบุญอิ่มผู้สูงของพวกเราเออพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุนสอนถือต้องดีงามเลยเราก็ต้องทำตามถ้าเราตั้งใจเด้อภาพกันดีใจ สวยงามกันหมดทุกคนมาที่มารวมกันนี่พี่น้องทางนครพนมลูกหลานเขากันญานทางโยมกิตติโยมนี้จากไปโลกใหม่จากเขาก็ตามมานั่งสมาธิด้วยจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดที่เรานั่งอยู่นี่สัญญาณของทิพย์บุตรช่ยเป็นทุกข์ ื่วนมากทุกวันนี่โอ้มต้มแกงกันหลอกกั น, นอันตรายแทๆ้ๆในในเสียงอันนี้ในโทรศัพท์ในอะไรที่สัญญาณของของโลกเขาเนี่ถ้าไม่ระมัดระวังมันไม่เหมือนสัญญาณของใจสิสัญญาณของใจของจิตของใจคือเราส่งหากันอะ้วจะได้พบหลวงปู่อีก คิดไปคิดมาเลยนี่มันก็เมื่อวันที่ยี่เบียดมันก็ยังมีวันที่ยี่เบียดเหมือนเดิมมันก็ได้มาหากันอีกอันนี้ก็ดีใจขึ้นไปแต่ละข้างแต่ละเมื่อวันในได้ต่อไปทางหน้าเด้อว่ากันเข้าใจโอ้ดีใจดีใจอืมเห็นลูกเห็นหลานเห็นสัทธาญาติโจมทั้งวดกวดขันศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะมาเจริญรุ่งเรืองอยู่ในเมืองไทยข้อไม่มีอืมข้อเขียนเรียนกรรมมาให้เกิดอืมพุทโธเพิก เ, ออเพิ่งไปหมดทำโมหายออพระธรรมันประเสริฐออลูกหลานต้องการคุณงามความดีหายไปแค่ออ ข, าขาดไปให้หมดเทวด้เทวดาสิบหกสั้นฟาสิบห้าสั้นดินถ้ออาจิตสงบแล้วเราไปเที่ยวไปหมดเราคิดไปแ้วมันก็เย็นไปหมดคิดไปยังไงก็สาบายไปหมดออคนจงว่ากิเลสมันมันไปแล้วกิเลสมันอ่อนลงกิเลสมันหนีแล้วเพราะว่า อืมเสรษฐาเพว่อไม่จะเกิดก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจสร้างบารมีตั้งใจทําให้มันถึงที่สุดสุดหมายปลายทางของพวกเราทั้งหลายเพื่อกานเข้าใจเดอ้อลูกหลานเนึองอพืาอกันดีอกดีใจวันนี้สวยงามวันนี้อากาศก็อํานวยอ่ยพอพรนทางอีสานก็เริ่มมาแล้วเริ่มอะไรเย็นอืมถ้าไปเห็นเย็นเพผื่อโอ้ยเป็นทุกหนาวด้วยหวเออหนาวใจทูกใจนั่น อยู่ในห้องแอร์ก็ไม่มีความสุขตุ้มหูอะไรก็ไม่ดีอาหารดีๆก็ไวุ่นวายายแหลกไปหมดนรกหับทีตีแหลกไปเห็นไหมมันเปลี่ยนขึ้นมาบ้านเมืองของพวกเราพื้นงว่ามันจะบริเวณกว้างต่อไปมันก็จะเปลี่ยนไปคนมันมากมันพูดกันไม่รู้เรื่องมโหโศกพระเจ้าควนห้าม ลูกลานก็ขออยู่อย่างนี้เลยเพราะอะไรประกาศศีลประกาศศาสนาก็คือเอาศีลอยู่หละเอามาว่ากันเขาไม่เขาไม่สนใจเขาไม่เอาเอาแต่กรรมใจ เ, เข้ามาใส่สมองใส่หัวใจอันนี้พวกเราที่คนดีเ อ, อยู่ยากเลยอันนี้ต่อไปอก็จะเปลี่ยนไปกลัวกลัวเพราะว่ากรรมนั่นแหละถ้า ทำมาตัดแล้วกรรมก็ไปหยุดลอยถอยลงเพราะว่าพวกเราอ ม, มีบุญมีบุญกับศาสนาแห่บุญแห่กระแสกิตไปคนไห น, นประเทศสามโลกธาตอันนี้มาร่วมกันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นพี่เป็นน้องอันเดียวกันอย่าให้มันมละเมิดออกจากเส้นทางตัวนี้เถอะข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญภาวนาไป อยิ้มแย้มแจ่มใสสงบโลกเย็นไปทุกวันทุกคืนนี่แหละมันก็เบาบางไปเพราะว่าธรรมาตัดเออถ้าเออธรรมะไม่ตัดแต่ธรรมะไม่ห้ามยุดยุดก็ไม่ยุดอออันนี้พระพุทธเจ้าเพค่รห้ามว่ายุดยุดออข้าพัมมานดาเนี่น่าโลภใหญ่นะเดี๋ยวนี้มันมันบอกว่าแต่พัมมานดาพระอยู่วัดมากระติบกระข้าหมดมันมันหิวมันอยากเอมันมืดมันมนไปเลยเพราว่า พวกเราทั้งหลายดีใจมาร่วมกันในในจุดใหญ่ของสื่อสารอันประเสริฐอันนี้เลยเออไประงับไฟตัวนั้นให้มันสลายไปซะให้มันหายไปซะคือพุโทโธเพิกธรรมโอหายจำโคทิบอันนี้การของทิบอยู่กับของทิบอยู่กับบุญพระบิดามารดามาตาปีตาปิดไว่ที่หัวใจของพวกเราที่เรา เออสแสดงหากับพระบิดามารดาเป็นต้นบุญของพวกเราอืมคุณพ่อคุณแม่เจ็บเนื้อกระหายเจ็บกายก็ให้ดีเจ็บกายก็ให้หายให้อยู่มัน่นขคงยืนคนที่ร้องรับดาบไปที่พวกลูกหลานมาบําเพ็ญภาวนาก็ให้ได้รับส่วนบุญเออผู้ชายก็เป็นเทพผูบุตรขึ้นไปผู้หญิงก็เป็นเทพผู้ดาเพราแม่หลวงตาคนแบบนั้นในตําราตำลา ลูกหลานมาบำเพ็ญกุศลมาฟังเทศฟังธรร ม, มนิ่งจิต <c oughs> บำเพ็ญบาเพ็ญภาวนาให้จิตใจอของสายขาวสะอาดเจ็บกายเจ็บเนื้อเจ็บแข่งเจ็บขาก็แผ่บุญไปให้ค่อยเจ็บแทนล้วเด้อไม่ได้บุญโลดเจ้าฉันตายไปแล้วอาศัยบุญนำพวกเราทั้งหลายนี่เลยวันนี้สักขีพยานก็ อยู่เย็นเป็นสุขพวกเราทำได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมัน่นขวันเยินเอ อ, เ, อ, อเป็นนี่เป็นสีนั่ให้ลดให้ให้เจริญรุ่งเรืองให้ให้ดีให้งามเละเออคนดีคนงามออซื้อรถ ด, ออดาวเข้ามาก็ไม่นานก็ให้มันหลุดมันพ้นไปเพราะว่าเรามาบำเพ็ญกุศลใหออ้จิตออผู้มีพระคุณแพ่บุญไปฮอดเอ อ, เ, อ, อเพื่อนรักห้าแฝงลูกหลาน แต่ว่าเอาไปไกลแล้วก็ออบารมีเราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มากคุณทานเราแค่แค่ให้คุณพ่อคุณแม่ให้เพื่อนรักให้ อ, อผู้ที่สําคัญของพวกเราเนี่ยเลยให้มีความสุขแต่ตัวงนั่นแหละไปขอไปบรปรลบรรดาลมาให้เพื่อนได้บุญได้กุศลทั้วบุญสะอาดบุญสงบลมเย็นออไม่มีอะไรมามาแย่งเอาความสงบลมเย็นของพวกเรามาแย่งเอาบุญเอากุศลของพวกเรา นี่แหละพี่น้องทั้งหลายพากันดีใจเข้าใจในจุดที่มีมนุวยงปูม่มามาเยี่ยมมายามกันก็ขอให้หลาบลื่นลุ่งเรืองขอให้สุขกายสบายใจออวันเวลานาทีเป็นของพวกเราที่จะนำเพียงกุศลไปทางหน้าออให้ลูกหลานตั้งใจเพียนไปสิ่งเหล่านี้เป็นของใครของมันคน่ะของส่วนตัวไม่ได้เกิดพร้อมกันไม่ได้ตายพร้อมกัน เียบต่างกันก็ไม่ได้ ừ, เรารับอะไรมาเราก็รู้อยู่อืมถ้าอันนี้เป็นทุกข์รับอันนี้เป็นสุขวันนี้เราก็ออมาบำเพ็ญกุศลเราก็มาสร้างบุญสร้างกุศลที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีความสุขวันี่มีความสุขต่อกันและกันนี่ที่พระบุตรสององค์อยู่ทางหน้านี่แหละช่องกัน <c oughs> ถ้าไม่ตายก็จะได้เห็นกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเพื่อนจิตใจใสจิตสัมผัสกันท่านว่า อจิตกับจิตสัมผัสกันแล้วเดินทางตามศาสนาอืมผู้เจ็บแข้งปวดขาอดทนลําบากไปตามป่าตามเขาหิ้วข้าวหิ้วน้ำก็แผ่บุญมาให้โยมให้โยมได้บุญด้วยกันโยมก็ตามไปแบบโยตุก็คิดตามไปเออเอาลำบากเราอยู่กับอาหารการกินอาหารนี่แหละพาเกิดแล้วก็โอดบ้าง อ, อดทนไปบ้างมันเหลือนะ่ะเราก็แจกจ่ายทานไป มทานไปพูดให้ไม่เป่ได้่อน ง, ง่ายๆเรื่องนี้คือที่ว่าให้ทานกันนี่เห็นทรงควรกันไปแจกจ่ายเพกันกินให้ซึ่งให้แล็กนี่ไม่หนาไม่หนามันมันเหตุดได้ยากแทนเป็นนิจไทยเลยอถ้าไม่มีเงินถ้าไมืมมีเงินไม่ทองเลยไปว่าคอก็ไม่ได้กินไม่ได้อยากอันนั่นเลยออฝูกมากพวกเราไว้เชื่อว่า เออบุญบรารมีเราเกิดเราเ ล, ลิฟเรารวยเราสวยเรางามเราก็ให้ทานดูแลกันไปแจกจ่ายกันไปนี่เลยต้นหลักของศาสนาที่คนอผ่านนี้จะเกิดปีนี้จะกครืงเครื่องเกศครืเก็บเครื่องกายพระพุทธเจา้าเพ น, นทานพระปราชาดาสว่างทานเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่งเกิด อ, ออกไปตามดินตามด้าเออพ่อแม่ผู้ปัเผิดปากขังหลวงตามหาวัวพระพุทธเจ้าของพวกเราสรุปทั้งสามข้างคุ่นณ อืมสลบแล้วสู้นขึ้นมาเอาอีกสู้ไปไม่ยอมไปไม่ยอมไปที่ไหนออืนั่งบานลังที่ใบหญ้าเป็นใบหญ้าที่เออพอออกคือจะพูดสององค์เลยคนว่ามพามเออไปทำบ้านทำเรือนแล้วก็เห็นความทุกข์ความลาบากห้าอยู่ห้ากินเลยมาไปแต่งให้มานี่ ม, มานวนแล้วไปเทศบาลังพระพุทธเจ้านั่ง ออเออส่วนก็สงบร่มเย็นรู้แจ้งเห็นจริงเลยนั่งที่นั่นโอ้เขาเขาทำให้นั่งเราก็ต้องนั่งแต่ก่อนเราไม่เคยลาบากอะไรทั้งสิ้นวัน น, นี้เรามานั่งอันนี้วันี้เราไม่ลาบากอะไรทั้งสิ้นเราสงบร่มเย็นบันล่างทิพย์ของเราก็คือขันห้าขันห้ า, หาพาสู่ขันห้านอนอยู่กับดิน มันก็เหมือนอยู่กลางอากาศเพราะว่ามันสูกกันกันนั่นแหละพาเป็นขันห้างเป็นของทิพย์ของประเสริฐนั่นแหละที่คนไปไปนิพพานที่คนไปไปสวรรค์ธรรมดาเนี่ยค่ะออมันเสื่อมแล้วก็ได้ลงมาเกิดสร้างบปแล้วมียังไม่พอก็เลยมาสร้างไปสร้างไปเรื่อยๆ อ, อืมเราอยากให้พ่อออกไม่ออกทั้งหลายนี่ได้เห็นของทิพย์ได้เห็นของประเสริฐออทำมัน อ, อืมบ้านเมืองมันเชร้าหมองขุนมัวที่มันวุ่นวายตายแหลกกัน มันก็เรื่องหองเขาแต่ทำทพระเจ้าของพวกเราจะเดินไม่ถอยต้องเพียรไปเรื่อยๆเดินโยมกิตีเดินโ <c oughs> ยมสาทิตนั้นโยมพากันดีใจแมกันเท่าเจ้าก็คําทุกข์คํายากขึ้นไปพลังกาก็ใช่ไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าธาตุขันมันก็ไปเรื่อยๆตามวัยตามเวลาเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปบางลายเก้าสิบห้าเก้าสิบหกก็ยังเดินสบายอยู่เนี้ย เออเขมแข็งบำเพ็ญภาวนาไม่ได้หยุดได้ถอยความเพียรรุวนน้ำมันกายแล้วมันกายเจ็บก็ไม่เจ็บปวดก็ไม่ปวดเห็นเขาอยู่วัดน่เลยเพวกเราทั้งหลายก็ทางจิตทางใจทำงานอยู่ในโล่มหาที่พึ่งหาบุญหากุศลในหัวใจให้เต็มหัวใจหมุนเข้าไปเรื่อยๆพุโทโธธรรมโมสังโคก็ สมควรกับเวลาที่ปู่ได้มาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเยี่ยมพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมพากันดีใจ <c oughs> บุญกุศลที่เราปรารถนาต้องการกาพุทธพระธรรมพระสงฆออ์พุโทโธธรรมโมสองโคไตสรณคมกต่ยังมั่นคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปถืออะไรมามาให้มันหนักหลายสิ่งหลายอย่างออถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พนทานของเราถูกต้องดีงามแล้ว ของทิพที่ได้ดูที่ถวายมื่อเศร้านี่แหละสวยงามแล้วบ่ะนี่เราไปทางหน้าเราก็จะได้สงบร่มเย็นตามผลทานของเรานั่นแหละมันถึงต้องแล้วมันไม่เหมือนทั่วไปทางนอกบ้านเมืองทั่วไปเขาเขาก็าไปอีกแบบหนึ่งหาจัดขึ้นจะฆ่าจัดจัดชีวิตอะไรต่ออะไรอันนั้นมันทาบุญต้นบาปอันนี้เราทําบุญบริสุทธิ์ซื้อเอาของทิพย์ในตลาดถือ พ่อแม่หลวงปูม่ม่นเพิ่นแนะนำเละหามไปหามไปหามเข้าไปวัดสุธทธวาสอที่นั่นเขาเป็นกันมาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็เออจะรู้เองเขาทุกเขายากเขาลบาบากเขาจะหยุดยุดแล้วคือหยุดเออพระพุทธเจ้าห้ามกุลิมาโจพรพาะว่าหยุดยุดห ย, ยุดแล้วก็มีความสุขทันทีเลยเออพากันหยุด พวกเราหยุดแล้วก็สบายใจกันทุกคนอืเป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่วันเวลานาทีนี้เคารพที่ควรเคารพบูชาที่ควรบูชาบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์บูชาธรรมพระพุทธเจ้าอสมกว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ผู้บุญบามาเกิดเอพระพเจ้าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้บุญเต็มหัวใจแล้วอมีเจตจิตภาวนาดูถอดถอนกิเลสออกทุกวันทุกคืนไปคุณแม่ก็ทําเหมือนกันคุณพี่คุณน้องก็ทําเหมือนกันนะบังสี ก็ได้บุญได้กุศลต่อกันไปผ้ากันเข้าใจเด้อผ่ากันดีใจโอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลสมควรกับเวลาอีวางก็มีด้วยประ ก, การลักะนี้<ะ>โอเค <c oughs> ดีใจเด้อวะนี้อันนี้ดีใจแล้วก็จะได้ถอดออกั้งจะเห็นหน่ะ <c oughs> เห็นตาโลกโลกภายมันก็หายไปเล้ละหายไปแล้วเทวดาปัดเป่าไปให้หมด แค่ขาดไปให้หมดเลยบ่ให้มีมามหาพี่น้องเมืองไ ท, ทยของพวกเราอีกแล้วเป็นบุญสอธ ม, มันปิดมันนา น, านจังได้ปิดเลยทันใจายากเดี๋ยวตาย้ะปิด <c oughs> เลยให้มันโล่งถงไปเทวดาเพื่นรักษาพวกเราทั้งหลายเสียงกระซัดพงใสขึ้นมาได้บัดติดไว้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งจังอนุทนาบุญเด้อ เออไหว้ครูก็ได้ไหว้แล้วเนีตั้งนโมเออรับศีล น, นโมแล้วปูจะบอกคาถาให้อีกด้วยคาถาทิพคาถาแบบว่าเออแปดหมืนสี่พันพระรรมขันใจธรรมเออถ้าเอาตัวนี้เข้าไปฟังจิตฟังใจเลย หรือว่าโลกอะไรก็ตามมันจะสลายไปหมดเด้อมันไม่มันไม่หาพวกเราดอกจังใจภาวนาเก่งๆภาวนาไปภาวเวทนามันเจ็บมันปวดเกิดโลกมันจะกำเริบขึ้นแเราก็นั่งให้มันสงบลมเย็นให้มันเบาบางไปเออพากันว่าตามหลังฟูเด้อเอาเอาคาถาแปดหมืนสี่พันพัมขันขึ้นก่อนนี่เลอว่าว่าตามหลังนะโมพุทหายะ กรร ม, มาโตจิตมิตังสิวิตังจุติมันมหานิยมบรรตออ่อเรือยไปเลยอันนี้คือว่าใจธรรมพุทธว่า 84,000 พัน 80, 4, พัทมะขันนี่พวกเราทั้งหลายภาวนาไปเรื่อยๆน้าโมก็คือความนอบ น, อ น, น, น้อมพุทธว่าน้าโมพุทธายะ เราอย่าทำบาปทำกรรมเราไม่ออสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันและการไปอีกแล้วออใจทำแปดหมื่นสี่พันทพนมขันอันนี้ออกรรมมโตกรรมของพวกเราทั้งหลายก็จะเบาบางไปแล้วหมดเลยก็เป็นไปได้กรรมมโตอิมิตังตั้งต่อสินต่อธรรมจุติพจนายุติก็คือจุติมัน ให้เราทุกข์เข้ามาเจอลำบากไปอีกเลยก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนไปจนถึงจุดหมายปลายทางนี่เลยแปดหมื่นสี่พันพฐรมขันว่าตามล้างอีกรอบหนึ่งพุทโธอลหังพุทโธอัลลหังพุทโธทัมโมอัลหังัมโมอัลลหังทัมโมสังโคอลหังสังโคอัลลหังสังโค ในมหานิยมผมว่าจมไปเรื่อยๆเงินทองไหลเข้ากระเป๋าเอออยู่เย็นเป็นสุขด้วยมันเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มานี่อส่งบุญไปหาพระบิดามารดาปู่ย่าตายายของพวกเราเออผู้ยังอยู่ก็ดีผู้ที่ล่วงลับดับไปเออเวรกรรมมารไทยมาขวางทางไวเออเอากระถาตัวนี้ไปแลวกัแผ่บุญส่งไปเออนัดโนยัดนาง <c oughs> ญาตังญาติปรลีบลังเอวังโหตูเอเอนี่ไปหาพระบิดามารดาบุญผู้สนั้นประเสริฐที่เราได้ทำมาให้เังมาอุปสรรคขวางทางให้คาถาบทนี่เลยฟุทโทอรหังอรหังพุตโทนี่เป็นคํามมรกรรมไปด้วยเออนึกไปเรื่อยเงินทองจะไหลมาเองเด้อ ปัทนาสิ่งใดก็ขอให้ราบลื่นลุงเรื้งต่อไปเอาอีกเอาอีกทอดท่ายไปนี่พุโทโธเพิก ม, มทำโมหายสิ่งใดข้าพระเจ้าไม่ต้องการขอให้แค่ขาดไปให้หมดเทพูดให้พราเป็นจักขีพยานนั่นแหละพุทโธสังโฆเป็นของเทพนี้ มาตาปิตาปิดไว้มาตาปิดตาปิดไว้มาตาปิด ต, ตาบารีเพนว่าถ้าบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่เออได้อะไรมากะแพงไว้ให้ลูกลูกมาพ้อมกันเมื่อจังกินพนว่าคนโบราณเออบ้านในแปลงกันกินพุ่นกินพี่สุดท้ายผูใ้ใดฮักกว่าเพื่อนฮัลูกสาวล่าหรือฮักลูกสาวอะไรก็ เอาให้กินอันดีๆให้แพงให้นใหญ่มันโตด้วยกัรโภราร์คนว่าเนี่ยักแพงกันถึงจุดหมายปลายทางเรามาเกิดเอาบุญขาดเราไม่มีอะไรมากมายนะเอออะไรมาสูนนิดๆหน่อยๆมันก็เจ็บก็บปวดมันก็ชรละพัดหันใจเข้าไปนี่ยเออทจามฟิกๆิ ก, ๆฟ ก, ๆกฟักฟักเอาโรคภัยเข้ามาแล้วแนี้แต่แนวเดียดเดียนี้แต่แนวทำลาย เนื่องว่าบุญพวกเราทั้งหลายสิ่งทรรมายทั้งเทวดา เออทำพระพุทธเจ้ามาปัดเปล่าไปเข้าขาดไปให้หมดได้บัดนี้ในพาันมีแต่ความสุขความเจริญในบุญในกุศลเถอพภาคนีใจอยาถาวาริวาหาปุลาปริปุเรนตีสาครางังเอวเมวายิตทูทินนางเปตนางอุปกปกปติอิสิตงังปฏิต่างสุมหางคิปเมีวะสเมสตูสัพเพปุเลนตูสังคปาจันโทปนาลาโยาาาสยถามณีโสติลาโสยัถาสัพิตโยวิวัชาตูสาปโลโค วินาสทุมาเตภวัตวานตรายโสุขีทีขาโยโกภวะพิวาทนาสิลิซาณิจังพุทธาปจายโนจัตตารุธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังพาลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนางธรรมรัตนางสังขารัตนางตินางรัตนานังอนุภาเวนะจัตุรสีติสหจัธรรมาคันธานุ โภาเวนะปิสกตยาโนภาเวนะสินนาสาวกานโนภาเวนะสัเบเตโรคา สเบเตพยาสเบเตอันตรายาสเบเตอุปัฏฐวาสเบเตทุนิเมตาสเบเตวมังคลาวินาศสันตุไหยวัฏโกธนวัฏโกูสิริวัฏโกยาสวัฏหกูพทวัฏโกูวรณวัฏโกสุขวัฏหกโหตูสัทาทุกขาโรขาพยาเวลาโสกาสันตูจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาศสันตูเจติสัสสาสยาสิธิธนังลาพังโสธิภักกาย พังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจ่าผู้ขังวตีทายาสวาซาตาวาสาจะอายุจ่ศิวะสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังหลักนตุสาปฏิวตาสภะพุทธานุภาเวนะสภะธรรมานุภาเวนะสภะสังฆานุภาเวนะสทาสุธิพวันตุเต